เพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้มากำจัดมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบ ที่เป็นเหตุให้เรามีความทุกข์ใจกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราได้เรียนรู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของเรา ไม่ได้เป็นตัวเราเราก็จะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน <c oughs> ไปกับสิ่งต่างๆที่พวกเราตอนนี้กำลังทุกข์กำลังเดือดร้อนอยู่เพราะมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบทำให้เราหลงคิดว่า เป็นของเราเป็นตัวเราแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังจากผู้รู้ผู้ที่ได้ศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วคือพระพุทธเจ้าและพระอาลหลันตาสาวกทั้งหลายเราก็จะได้เรียนรู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่ทำมาจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ พ, พอมารวมตัวกันก็กลายเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นสิ่งของต่างๆเป็นบ้านเรือนเป็นรถยนต์และการรวมตัวของธาตุทั้งสีนี้ก็เป็นการรวมตัวแบบชั่วคราวจะต้องมีควันย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติกลับคืนสู่ธาตุเดิม ธาตุน้ําก็จะกลับคืนสู่ธาตุน้ําธาตุลมก็กับคืนสู่ธาตุลมธาตุไฟก็กับสู่ธาตุไฟธาตุธาตุทั้งสี่เป็นอย่างนี้มีการมารวมตัวกันแล้วก็มีการแยกตัวกันพอแยกตัวสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ก็หมดสภาพไป เช่นบ้านเรือนเรามาก่อสร้างด้วยการเอาธาตุดินบ้างธาตุน้ำบ้างมาผสมกันสร้างเสร็จแล้วทิ้งไว้อยู่ไปสี่สิบห้าสิบปีมันก็เริ่มํำรุดสุดโทมแล้วเดี๋ยวมันก็พังไปต้องสร้างบ้านใหม่ นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่พวกเรามาเกี่ยวข้องด้วยมายึดมาติดว่าเป็นเราเป็นของเรากันแล้วก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจมาทุกมากังวลใจมาหวาดกลัวกับการแตกแยกของธาตุทั้งสี่ ที่เป็นเรื่องธรรมดาของเขาแต่ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นตามความเป็นจริงมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของจีลังถาวรเป็นของที่จะอยู่ไปอย่างยั่งยืน ไม่มีวันเปลี่ยนไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดก็จะทำให้เราหวาดกลัวกับความเป็นจริงของธาตุทั้งสี่ว่าธาตุทั้งสี่นั้นจะไม่อยู่รวมกันไปตลอดธรรมชาติของธาตุทั้งสี่ เขาอยากจะกลับไปรวมกับธาตุของเขาธาตุดินก็อยากจะกลับไปอยู่กับธาตุดินธาตุดมก็อยากจะกลับไปอยู่กับธาตุดมธาตุไฟก็อยากจะกลับไปอยู่กับธาตุไฟธาตุน้ําก็อยากจะกลับไปอยู่กับธาตุน้ําพอเขาแยกตัวกลับสู่ที่ตั้งของเขาที่เดิมของเขา สิ่งที่เรามีความผูกพันมีความยึดติดก็ล่มสลายหายไปพอเราสูญเสียสิ่งที่เรามีความผูกพันด้วยเราก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความหวาดกลัวลเกิดความวุ่นวายใจนี่คือ เรื่องของมิจฉาทิฏฐิความไม่เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติต่างๆของสิ่งต่างๆว่าเป็นธรรมชาติของธาตุสี่ของดินน้มลมไฟเช่นร่างกายของพวกเราพวกเราก็มาหลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา แต่ถ้าเราได้ศึกษาหรือได้ยินได้ฟังจากผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็จะสอนจะบอกให้เรารู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งที่เกิดจากการผสม ของธาตุทั้งสี่นั่นเองแล้วเมื่อธาตุทั้งสี่มารวมกันแล้วธาตุทั้งสี่ก็จะพยายามแยกตัวออกจากกันแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปยับยัง้งไปห้ามไม่ให้ธาตุทั้งสี่นั้นแยกออกจากกันได้ร่างกายของพวกเราทุกคน จึงต้องมีวันแตกดับมีวันสิ้นสุดลงแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังว่าเราไม่ได้เป็นธาตุทั้งสี่เราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาครอบครองร่างกายหรือธาตุทั้งสีน่นี้เราไม่ได้ดล่มสลายไม่ได้ดับ ไปกับความร่มสลายของร่างกายแต่อย่างใดเราก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่เหมือนเดิมเราก็จะหายหวาดกลัวได้หายวิตกกังวลกับความเป็นไปของร่างกายได้แต่การได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้นี้ ยังไม่สมบูรณ์ยังต้องนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้ใจปล่อยวางได้จริงๆเพียงแต่รู้ว่าร่างกายหรือสสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆสิ่งต่างๆที่เรามีครอบครองอยู่ในตอนนี้ไม่ได้เป็นของเราจะต้องกลับคืนสู่ ธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟเราต้องปฏิบัติตามความเป็นจริงด้วยคือรู้อย่างเดียวยังไม่พอเพียงรู้แล้วเราต้องนำเอาไปปฏิบัติคือเราต้องปล่อยวางเราต้องไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ แลการที่เราจะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆนี้ได้เราต้องมีอะไรให้เรายึดติดเราต้องมีสิ่งใหม่ให้เรายึดติดให้เป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เรากำลังยึดติดกันอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ถาวอนเป็นสิ่งที่เรา พึ่งพาอาศัยได้อย่างจริงจงจะเป็นของเราจะให้ความสุขกับเราไปตลอดนี่คือการมาแก้วิชชาทิฏฐิและมาดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของพวกเรา เราต้องแก้ด้วยการเรียนรู้ในเบื้องต้นเมื่อเรียนรู้แล้วว่าสิ่งต่างๆที่เรายึดติดอยู่ที่เราพึ่งพาอาศัยให้ความสุขกับเราเป็นของชั่วคราวไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงจะต้องมีวันสิ้นสุดลง เราก็ต้องเปลี่ยนหาที่พึ่งใหม่หาที่อาศัยหาแหล่งที่ให้ความสุขกับเราใหม่เพราะใจของพวกเราทุกคนนี่หิวโหวยหรือต้องการความสุขกันอยู่โดยปราศจากความสุขไม่ได้เหมือนกับร่างกายที่หิวโหวยกับลมหายใจต้อง อยู่ด้วยลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจก็อยู่ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนการหาความสุขของเราอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราที่จะต้องมีวันล่มสลายมีวันสิ้นสุดลง ให้เรามาหาสิ่งที่ให้ความสุขกับเราที่ไม่ล่มสลายที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่จะเป็นของเราที่จะอยู่กับเราไปตลอดเราถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าเราเพียงรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอาศัยให้ความสุขกับเราอยู่ในตอนนี้ เป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องจากเราไปวันในวันใด ว, วันหนึ่งแต่ถ้าเรายังพึ่งพาอาศัยเขาอยู่ยังใช้เขาอยู่ใช้ให้เขาให้ความสุขกับเราอยู่เราก็ยังปล่อยเขาไม่ได้เราก็ยังยึดยังติดยังอาศัยเขาอยู่ แต่ถ้าเรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้มีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราพอเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบใหม่ได้ เราก็เลิกใช้วิธีเก่าได้เลิกใช้สิ่งต่างๆเลิกใช้ร่างกายของเราในการหาความสุขได้พอเราเลิกใช้สิ่งต่างๆได้เลิกใช้ร่างกายของเราได้ทีนี้เขาจะเป็นจะตายเขาจะอยู่หรือไม่อยู่กับเราก็จะไม่ทำให้เราเดือดร้อนแต่อย่างใด เพราะเราสามารถอยู่มีอย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้สิ่งต่างๆไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเรานี่แหละคือการเรียนรู้แล้วนำไปสู่การปฏิบัติคือเรียนรู้ว่า สิ่งต่างๆที่เราใช้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงไม่ได้เป็นของเราโดยตลอดพอเวลาเขาสิ้นสุดลงเขาก็จะทำให้เรามีความรู้สึก ทุกไม่สบายใจเศร้าโศกเสียใจเราต้องมาปล่อยวางเลิกใช้สิ่งต่างๆที่เป็นของชั่วคราวเสียแล้วมาหาสิ่งที่เป็นของถาวรสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบเนี่ย ก็คือความสงบของใจนี่เองที่เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดเพราะเราอยู่ที่ใจเรามาจากผู้รู้ผู้คิดแล้วความสงบก็อยู่ที่ใจความสุขที่เกิดจากความสงบก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้พอสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้หรือร่างกายของเราเป็นอะไรไปถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจไม่ทุกข์ทรมานใจแต่อย่างใดเราก็อยู่กับความสงบไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง ปัญหาของพวกเราตอนนี้ก็คือเราไม่รู้จักวิธีทาใจของพวกเราให้สงบกันนั่นเองเราไม่เคยสร้างความสงบให้เกิดขึ้นมาภายในใจเพราะเรามัวแต่ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากคนนั้นคนนี้ผ่านทางร่างกายของเรา เราก็เลยไม่เคยปล่อยให้ใจตั้งอยู่ในความสงบเราใช้ใจทำงานหาความสุขจากสิ่งต่างๆใจก็เลยสงบไม่ได้การที่จะทำใจของเราให้สงบได้เราต้องหยุดการหาความสุขจากสิ่งต่างๆนั่นเองหยุดใช้ความคิด ในการที่จะสั่งให้ร่างกายไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหาคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราถ้าเราหยุดได้เราเลิกชั่วข่าวเริ่มในเบื้องต้นเราคงจะเลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากคนนั้นคนนี้แบบถาวรไม่ได้ เราก็มาทำแบบชั่วคราวไปก่อนลองหยุดสักวันหนึ่งมีเจ็ดวันด้วยกันลองหาวันในวันหนึ่งมาเป็นวันหยุดในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆผ่านทางร่างกายของพวกเราเราทำไมมีวันหยุดทำงานได้ เราทำงานเราก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราก็อยากจะหยุดทำงานเราก็มีกำหนดวันหยุดทำงานกันขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้พักผ่อนหย่อนใจแต่การหยุดทำงานของเรานี้เราไม่ได้หยุดการทำงานของจิตใจไปด้วยจิตใจของเรายัางต้องทำงานต่อคืองานหาความสุข ที่เราเรียกว่าการพักผ่อนหย่อนใจแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นการพักผ่อนหย่อนใจมันเป็นการทำงานของใจใจยังต้องคิดว่าวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนไปหาความสุขจากคนไหนดีจากสิ่งไหนดีจากที่ไหนดีแล้วพอคิดเสร็จใจก็ต้องสั่งให้ร่่งกาย พาใจไปหาสิ่งที่ใจได้คิดไว้ใจก็ยังต้องวุ่นวายกับการหาความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งๆที่เป็นวันหยุดที่ใจคนจะมีโอกาสได้หยุดพักผ่อนบ้างแต่ใจกลับไม่ได้หยุดพักผ่อนเพราะเราไม่รู้ว่า วิธีที่จะหาความสุขให้กับใจนั้นหาอย่างไรนั่นเองเราไปคิดว่าวิธีหาความสุขให้กับใจก็คือใช้ความคิดคิดว่าวันนี้จะไปหาความสุขจากใครดีจากสิ่งไหนดีจากสถานที่ไหนดีพอคิดเสร็จก็ใจก็ต้องสั่งให้ร่างกาย เตรมการต้องจองที่พักจองตองอะไรต่างๆแล้วก็ต้องออกเดินทางไปหาสิ่งที่ใจคิดว่าจะให้ความสุขกับใจแล้วก็พอไปได้ไปถึงก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่อยากได้ก็เกิดความรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมา แต่พอถึงเวลาที่จะต้องกลับกลับมาบ้านกลับมาทำงานความสุขใจที่ได้จากสิ่งต่างๆที่ไปหามันก็หมดไปเหมือนกับตอนที่ไม่ได้ออกจากบ้านไปตอนแรกกลับมาก็กลับมาแบบไม่มีอะไรติดตัวมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ มันก็หายไปหมดแล้วเราก็ต้องกลับไปทำงานทำการต่อเพื่อที่จะหาะไรายได้มาจุนเจือร่างกายของเราแล้วก็มาไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายในคราวหน้าในการไปหาความสุขในคราวหน้าใหม่ เราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปจนวันตายไปจนกว่าเราจะเกิดสะดุดถกล้มขึ้นมาซึ่งมีเหตุการณ์ที่สามารถทาให้เราไม่สามารถที่จะไปทําตามที่เราคิดได้อาจจะเกิดปัญหาเรื่องรายได้อาจจะรายได้น้อยกว่ารายจ่าย ไม่มีเงินที่จะไปทำตามความอยากตามความคิดได้ก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหงุดหงิดดาคาญใจขึ้นมาหรืออาจจะเกิดปัญหาทางร่างกายร่างกายก็อาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมายิ่งตอนนี้ไม่มีใครอยากจะเดินทางไปไหน เพราะกลัวจะไปติดไข้หวัดกันพอถ้าร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจได้นี่เป็นผลที่เกิดจากการที่ไม่รู้จกักการหาความสุขในอีกรูปแบบหนึ่ง ความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ไม่ต้องใช้สถานที่นั้นที่นี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขความสุขที่เกิดจากความสงบที่มีผู้รู้คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุกเท่านั้นที่รู้ความสุขแบบนี้ถ้าเราไม่ได้เข้า หาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่ได้รู้เรื่องของความสุขแบบนี้แต่ถ้าเราได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการฟังเทศฟังธรรมหรือด้วยการอ่านหนังสือธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสั่งคำสอนของพระอาหารหันตสาบกทั้งหลาย เราก็จะได้เรียนรู้ว่ามีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่มั่นคงกว่าที่ปลอดภัยกว่าที่จะที่ยั่งยืนกว่าความสุขที่พวกเรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้เป็นความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไปจากใจ จะอยู่กับใจเราไปตลอดไม่ว่าเราจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายไม่เป็นปัญหาเพราะความสุขนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองต้องใช้ใจสร้างขึ้นมาเองด้วยเครื่องมือของใจเครื่องมือของใจที่จะสร้างความสุข ที่เกิดจากความสงบนี้ก็คือการรักษาศีลการภาวนาการทำใจให้สงบและการสอนใจให้มีสัมมาทิฏฐิให้มีปัญญาเพื่อที่จะใช้ในการกำจัดความหลงที่จะมาคอยหลอกให้ใจไปหาความสุขจาก สิ่งที่ไม่เที่ยงความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปนั่นเองนี่แหละคือขั้นตอนของการมาศึกษามาเรียนรู้ให้รู้ว่าวิธีการหาความสุขของเราในขณะนี้เป็นวิธีที่บกพร่องที่เป็นอันตราย ที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยแก่จิตใจไม่ปลอดภัยจะต้องสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ช้าก็เร็วจะต้องเกิดขึ้นกับทุกทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือไม่รวยจะเป็นใหญ่หรือไม่เป็นใหญ่จะต้องเจอกับความทุกข์ เวลาที่สิ่งต่างๆที่เคยให้ความสุขนั้นมีวันสิ้นสุ ด, ดงลงนะ้วก็เรียนรู้ว่ามีความมีการหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่จีรังถาวรที่จะอยู่คู่กับเราไปตลอดและเราต้องสร้างความสุขนี้ขึ้นมาด้วยการ ถือศีลคือศีลแปดขึ้นไปเพื่อให้เราหยุดการหาความสุขแบบเดิมไว้ชั่วคราวเช่นวันหยุดถ้าเราต้องการหาความสุขให้กับตัวเราคือให้กับใจเราอย่างแท้จริงเราต้องหยุดหาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อของไปซื้ออะไรต่างๆ มาให้ความสุขกับเราแล้วไปอยู่ในสถานที่เงียบสงบที่ไม่มีอะไรมาลบกวนใจถือศีลแปดแล้วก็ไปปีกวิวเวกเพื่อที่เราจะได้มาควบคุมใจมาหยุดความคิดของใจนี้เองถ้าเราสามารถควบคุมใจ หยุดความคิดของใจได้แล้วความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราหากันอยู่ในขณะนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาในใจของเราพอเราได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้ว เราก็จะมีความติดอกติดใจเหมือนกับเราได้ไปชิมอาหารอันโอชะที่เราไม่เคยรับประทานมาก่อนพอเราได้ลองชิมอาหารที่วิเศษที่ไม่มีอาหารใดในโลกนี้เหมือนแล้วทีนี้เราก็จะไม่อยากกินอาหารอย่างอื่นแล้วอยากจะกินอาหารอันวิเศษนี่ ถ้าเราได้ลองถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากสมุกแม้เป็นเพียงแค่ช่วงงูแลบลิ้นกระตามมันจะสร้างความประทับใจให้กับเรามันจะสร้างความยินดีให้เราอยากจะได้เสพความสุขแบบนี้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เรามีพลังมีกำลังใจที่จะ ลดหรือตัดการหาความสุขแบบเก่าไปแล้วเอาเวลามาหาความสุขแบบใหม่กันพอเรามีเวลาที่จะมาหาความสุขแบบใหม่ได้มากขึ้นความสุขแบบใหม่ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นพอได้เพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งมีกำลังที่จะปฏิบัติให้มากขึ้น ต่อไปเราก็สามารถเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบเต็มร้อยได้เมื่อก่อนตอนเริ่มต้นใหม่ๆก็ยังอาจจะแบ่งไปทางนี้บ้างไปทางนั้นบ้างต่อไปพอความสุขแบบใหม่มีได้เสพมากขึ้นได้ความสุขมากขึ้นความยินดีความภาคเพียนที่จะสร้างความสุขแบบใหม่ ก็จะมีมากขึ้นไปเองพอมีความยินดีจะไปทางนี้แล้วไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรคได้อีกต่อไปเมื่อก่อนจะอ้างว่าต้องดูแลคนนั้นต้องดูแลคนนี้ความจริงมันเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นเพราะว่ายังติดอยู่กับการหาความสุขแบบเก่าอยู่เลยไม่สามารถทิ้งสิ่งต่างๆไปได้ แต่พอได้มาสัมผัสกับความสุขแบบใหม่แล้วทีนี้ก็อ้างต่างๆนี้มันจะหายไปหมดเพราะว่าความจริงมันจะบอกเองว่าไปห่วงกังวลกับคนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงความจริงของเขาอยู่ดีเขาก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลง เขากับเราก็ต้องมีมีวันที่จะต้องพัดภากจากกันอยู่ดีถ้าการไปของเรานี้ไม่ได้ไปทําให้เขาเดือดร้อนเราก็ไปได้เขาอยู่ของเขาได้ถ้าเราคิดว่าสมมุติว่าถ้าวันนี้เราตายไปเขาจะอยู่ได้หรือไม่เขาจะอยู่ได้หรือไม่เขาก็ต้องอยู่ของเขาไปแล้วอยู่ยังไง ไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องไปเหมือนกันถ้าเราลองได้มีการได้สัมผัสกับความสุขแบบใหม่แล้วและเห็นว่ามันเป็นทางที่จะพาให้เราได้พบกับความสุขที่ถาวรและได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องไปทางนี้กัน เพราะว่าถ้าเราอยู่กับทางเก่าถึงแม้เราจะช่วยคนนั้นคนนี้ได้แต่ก็ช่วยแบบชั่วคราวต่นนั้นเองไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดีพอถึงตอนนั้นเราก็ช่วยเขาไม่ได้ถ้าเราจะช่วยเขาก็ช่วยเขาแบบชวนให้เขาไปกับเราดีกว่าชวนให้เขาไปหาความสุขแบบใหม่กับเราดีกว่า เพราะว่าถ้าเขาหาได้เขาก็จะรอดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้แต่ถ้าเราคอยช่วยเขาหาความสุขแบบเก่ามันก็เหมือนช่วยคนที่จะจมน้ำเดี๋ยวก็จมด้วยกันทั้งคู่เพราะว่ายกันไปเดี๋ยวนานๆเขามันก็เหนื่อยมันก็หมดแรงด้วยกันทั้งคู่ก็ต้องจมน้ำตายด้วยกันทั้งคู่ แต่ถ้าชวนให้เขาว่ายน้ำไปขึ้นฝั่งดีกว่าพอขึ้นฝั่งแล้วก็จะปลอดภัยเพราะเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเนีข้ออ้างต่างๆที่มันเคยมีอยู่นี้มันจะหายไปเองปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองแต่ถ้าเรายังไม่ได้ไปพบกับความสุขแบบใหม่ เราจะมีความรู้สึกยังไม่อยากไปนั่นเองเราก็เลยจะมีข้ออ้างต่างๆเป็นเรื่องของกิเลสที่จะสร้างข้ออ้างเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อขัดขวางไม่ให้เราไปบางทีก็ให้เรามีความรู้สึกว่าเราเห็นแก่ตัวบ้างมีคนไม่ตำหนิพระพุทธเจ้าตำหนิเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ว่าทิ้งครอบครัวทิ้งลูกทิ้งภรรยาไปอันนี้เป็นเรื่องของคนที่มีมิจฉาทิฏฐิคนที่ยังหลงคิดว่าวิธีการหาความสุขแบบเดิมนี้เป็นวิธีที่หาความสุขที่ถูกต้องแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐินี้จะเห็นจะรู้ว่าไม่ได้เป็นวิธีหาความสุขหรอก เป็นวิธีหาความทุกข์ให้กับใจเพราะว่าความสุขที่ได้จากวิธีเดิมแบบเดิมนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่อยู่ติดกับใจได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปแล้วก็ทำให้ใจต้องคอยมาหาอยู่เรื่อยๆหาไปจนวันตายก็ยัง ไม่ได้ความสุขที่หายไม่ไม่สามารถเก็บรักษาความสุขที่หามาได้ก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่พอตายไปใจที่ได้ความสุขจากสิ่งต่างๆก็ยังหิวโหยกับความสุขต่างๆเหล่า น, นั้นอยู่ก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้ เป็นเครื่องมือหาความสุขแบบเก่าต่อไปนี่คือที่มาของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราเราไม่ได้มาเกิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายถ้าจะว่าเป็นครั้งที่หลาก็ว่าเป็นครั้งที่หลายแสนล้านครั้งแล้วก็ได้ที่เรามาเกิดกันแล้วเราก็จะตายกันแล้วก็ยังไม่หยุด ตายแล้วเราก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกถ้าอยากจะรู้จํานวนของการเกิดของเราการตายของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรพระพุทธเจ้าทรงให้เปรียบเทียบว่าน้ําตาที่เราได้หลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติที่เรามาเกิดนี้ถ้าเราเอามารวมกันแล้วมันมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทร ดูว่าน้ำในมาหาสมุทรนี้มันมากขนาดไหนแล้วน้ำตาที่เราหลังในพบนี้ชาดนี้มีมากขนาดไหนแล้วเราจะต้องกลับมาเกิดมาหลังน้ำตาแบบนี้กี่ครั้งกันถึงจะได้น้ำมากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรน้ำน้ำตามากยิ่งกว่าน้าในมาหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเรา พวกเรากลับมาทุกข์กันทุกทุกรอบไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ทุกข์กันไม่มีใครไม่ร้องไห้กันไม่มีใครไม่หวาดกลัวกันไม่มีความไม่มีใครไม่วุ่นวายใจกันนีสาเหตุเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันเรารู้จักแต่วิธีหาความสุข แบบที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นเองเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้คืออะไรก็คือได้มาเจอพระพุทธศาสนานั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกวิธีหาความสุขแบบอีกรูปแบบหนึง่ง วิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าเรายังไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนาเราก็จะหาความสุขแบบเก่านี้ไปเรื่อยๆต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเราไม่รู้ไม่มีทางเลือกเราไม่รู้จักทางเลือกใหม่แต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ศึกษาคำสั่งคำสอน จากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระหลันตสาวก็ดีท่านก็จะสอนจะบอกว่าเราควรจะเลิกหาความสุขแบบเก่ากันได้แล้วเพราะความสุขแบบเก่ามันเป็นความสุขที่พาให้เราต้องหลั่งน้ำตาอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะหลั่งน้ำตาเรามาหาความสุขแบบใหม่กันความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบ การจะทำใจให้สงบได้เราก็ต้องหยุดการหาความสุขแบบเก่าในเบื้องต้นก็หยุดชั่วคราวก่อนเลือกวันที่เราสะดวกที่เราจ ะ, ะมีเวลามาฝึกมาทำใจให้สงบวันนั้นเราก็มาถือศีลแปดกัน เพราะศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขผ่านทางร่างกายนั่นเองศีลเก้าสามของศีลห้าก็เปลี่ยนเป็นอบ ร, รมจริยาแปลว่าไม่ร่วมหลับนอนถึงแม้จะเป็นสามีภรรยาก็จะขอเว้นของดเว้นหนึ่งวันหรือสองวันแล้วแต่ว่าจะต้องการปฏิบัติกี่วันเราก็เลิกหาความสุขทางร่างกายไม่ร่วมหลับนอนกับแฟน ไม่รับประทานอาหารตามความอยากต่างๆรับประทานอาหารพอให้เลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอคือเอาเพียงแค่เที่ยงวันก็พอไม่จำเป็นที่จะต้องกินทั้งมื้อเย็นมื้อค่ำร่างกายไม่ตายถ้าได้รับประทานอาหารถึงเที่ยงวันนี้ก็เหลือเฟือแล้ว่ะ สำหรับผู้ที่เค่งคัดอย่างนักบวชพระพุทธเจ้าก็สอนให้รับประทานแค่มื้อเดียวกินมื้อเดียวก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายเพอที่จะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายมาคอยหาอาหารอยู่เรื่อยจะได้เอาเวลาที่มาหาอาหารนี้ไปฝึกจิตไปควบคุมความคิดไปทำจิตให้สงบ แล้วก็เพิ่มข้อหกคือไม่ให้หาความสุขจากมหรสบบันเทิงต่างๆความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายที่เป็นความสุขที่ต้องใช้ร่างกายนั่นเองแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายโดยการทำเเผาทำผมแต่งหน้าท่าปากใส่เสื้อผ้าสวยสวยงามงาม เป็นความสุขชั่วคราวประเดียวประเดาวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเสียเวลาเปล่าเปล่าเอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่าแล้วก็ให้นอนไม่ให้มากเกินไปให้นอนเพื่อพักผ่อนั่งกายวิธีที่จะนอนไม่ให้มากเกินไปก็ไม่ให้นอนบนเตียงใหญ่ๆฟุบหนาๆ เียงที่สํารานเขาเรียกเตียงสํารานะเตียงใหญ่เตียงโตนี่ความหมายก็คือความสํารานะเห็นไหมไปดูเฟอเจอร์ที่เขาขายเตียงนี่โอ้โหเห็นแล้วอยากจะนอนนะยังไม่ถึงเวลานอนเลยเพียงแต่ไปดูเตียงมันก็อยากจะนอน ล, นะละนั่นแหละการนอนมากเกินไปมันก็เป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเสพกามทางร่างกาย ก็ต้องตัดไม่ให้นอนบนเตียงโมโหลานเตียงที่มีความสมาํารับให้นอนบนพื้นแข็งๆพื้นไม้พื้นปูนหรือพื้นที่มันไม่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายเหมือนนอนบนเตียงใหญ่ๆพูกานาั้นน่ะเตียงมโหลาน นี่เป็นมาตรการในการที่จะเอาเวลามาให้กับการสร้างความสุขแบบใหม่นั่นเองถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็นอนกับแฟนได้พอนอนกับแฟนมันก็หมดไปแล้วคืนหนึ่งเวลาที่จะามาปฏิบัติก็ไม่มีเวลารับประทานอาหารเย็นได้ก็ก็ พอรับประทานอาหารเย็นแล้วก็ไม่อยากจะนั่งสมาธิแล้วเพราะง่วงนอนหรืออยากจะดูละครดูหนังแทนแต่ถ้ามาถือศีลแปดแล้วมันจะไม่ได้เกิดความรู้สึกเหล่านี้พอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วมันก็จะมีเวลาว่างให้เราได้มาฝึกจิตกันมาฝึกนั่งสมาธิกันเพื่อทําจิตใจให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมา นี่คือขั้นที่หนึ่งของการเปลี่ยนวิธีหาความสุขเราต้องหาเวลาวันที่เราว่างจากการทำภารกิจง า, งานต่างๆแล้วก็มาฝึกจิต ด, ด้วยการมาถือศีลแปดกันแล้วก็ควรไปหาที่ที่สงบที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆ ถ้าเราถือศีลแปดแล้วฝึกจิตที่บ้านถ้าเราอยู่กันหลายคนมันจะมีอุปสรรคเพราะคนที่บ้านเขาไม่ได้ถือศีลเหมือนเราเขาก็ยังดูหนังฟังเพลงยังกินอาหารมือหลังเที่ยงไปแล้วได้พอเราเห็นเขาทำเดี๋ยวใจของเราที่ยังมีความอยากกับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็จะทนไม่ไหวเดี๋ยวทาไปทามาก็ศีลขาด ก็จำเป็นที่จะต้องปลีกตัวยกเว้นว่าถ้าเราอยู่คนเดียวถ้าเราอยู่คนเดียวที่บ้านไม่มียุ่งเกี่ยวกับใครเราก็า จ, จะสามารถทำบ้านให้เป็นวัดขึ้นมาได้เพราะคำว่าวัดที่แท้จริงก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นวัดที่มีโบสถ์มีเจดีย์มีถาวรวัถตถุต่างๆมีพระพุทธรูปอะไรคำว่าวัด ของพระพุทธเจ้านั้นก็คือที่สงบสงัดวิเวกที่ปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆปราศจากบุคคลต่างๆวัดของพระพุทธเจ้าตอนที่บําเพญ็ญพระพุทธเจ้าบําเพ็ญที่ไหนพระพุทธเจ้าก็บําเพ็ญในป่าในเขานั่นแหละคือวัดของพระอุทธเจ้าของพระอหลานตสาวกวัดของผู้ที่ต้องการทําใจให้สงบเนี่ย ต้องไปหาที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากรูปเสียงกลินรดห่างไกลจากบุคคลต่างๆเพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรมาลบกวนใจนั่นเองมายุ่ยยวนกวนใจมาร่อตันหาความอยากให้โผล่ขึ้นมาเพราะถ้าปล่อยให้ตันหาความอยากโผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะทนต่อความอยากไม่ได้ความ ภารกิจที่ต้องการจะทำคือมาทำใจให้สงบก็จะล้มเหลวไปก็จะไปทำตามความอยากต่างๆจึงต้องไปปีกวิเวกเพื่อที่จะได้รักษาศีลได้ยุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายได้พอเรายุติเลิกหาความสุขหรือหยุดการหาความสุขไว้ชั่วคราวผ่านทางร่างกาย เราก็จะได้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจเราก็จะได้มาสร้างเหตุที่จะมาทําให้จิตสงบจิตของเราจะสงบได้นี้ต้องมีสติมาคอยควบคุมความคิดมาหยุดความคิดสตินี้ก็จึงเปรียบเหมือนกับเป็นเบรกของรถยนต์เวลาเราขับรถยนต์ไปไหนมาไหนเวลาเราต้องการหยุดรถยนต์เราก็ต้องเหยียบเบรกกัน ถ้าไม่เหยียบเบรกรถยนต์ก็จะไม่หยุดฉันใดจิตของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราต้องการให้จิตของพวกเราหยุดคิดเราก็ต้องมีสติกันถ้าเราไม่มีสติเราไม่สามารถหยุดความคิดได้เราก็ต้องมาสร้างสติกันก่อนวิธีสร้างสติก็คือเราต้องใช้กรรมาฐานเป็นอารมณ์เป็นเครื่องมือสร้างสติ กรรมฐานนี้ในตำราก็มีอยู่40สชนิดด้วยกันแต่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนี้ก็ใช้เพียงชนิดใดชนิดเดียวชนิดใดชนิดหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนกันได้ขึ้นอยู่กับภาวะว่ากำลังอยู่ในกำลังทำอะไรอยู่ถ้ากำลังทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่ยังมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายอยู่ ก็ใช้คําบริกรรมพุทโธเรียกว่าพุทธานุสติใช้พุทโธเป็นเครื่องมือสร้างสติเพื่อให้หยุดความคิดเช่นพอเราตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเราก็เริ่มคิดทันทีถ้าเราไม่ต้องการให้มันคิดเราก็ใช้พุทโธเข้ามาแทรกทันทีพอเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปความคิดที่เราเคยคิดมันก็จะหยุดคิดไป เราต้องพยายามมีความเพียรมากในเวลาเริ่มตน้นเพราะว่าสติเรายังมีน้อยเราต้องเพียรพยายามสร้างสติให้มากด้วยการพยายามบริกรรมหรือท่องคำว่าพุทโธพุทโธให้มากนี่เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่ถนัดกับการท่องพุทโธเราถนัดกับการจดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ คอยเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทาอะไรแล้วก็ทำไปกับร่างกายร่างกายกำลังนั่งล่างหน้าก็ล่างหน้าไปกับร่างกายอย่ากให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคอยเฝ้าดูว่ากาลังทาอะไรอยู่ใจก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าไปคิดเรื่องอื่นก็แสดงว่าเราไม่เฝ้าดูการกระทาของรัางกายแล้ว อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเรียกว่ากายกะตาสติสร้างสติด้วยการเฝ้าดูการกระทา ต, ต่างๆของร่างกายจะใช้พุทโธก็ได้ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ทางานอะไรท่านบอกให้มีความระมัดระวังการระมัดระวังก็คือการใช้สตินี่เอง เวลาเราจะทำอะไรเราต้องคอยดูว่าทำถูกหรือไม่ทำไม่ถูกหรืออย่างไรทำผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดถ้าไม่มีสติไม่มีความระมัดระวังก็อาจจะเผลอทำผิดไปได้แต่ถ้ามีสติคอยเฝ้าดูอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่ผิดพลาดขณะที่เราดูเราก็จะไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเราต้องคิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทาอยู่นั่นเอง การใช้กรรมฐานจึงมีหลายรูปแบบด้ยวยกันไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้พุทโธอย่างเดียวแต่พุทโธนี้มันง่ายมันไม่ต้องอธิบายให้ยุ่งยากให้บริกรรมพุทโธไปว่าเรากำลังทำอะไรที่เราไม่ต้องใช้ความคิดงานที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเช่นเวลาที่เราเตรียมตัวเลี้ยงอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัว รับประทานอาหารนี่เราไม่ต้องใช้ความคิดอะไรอย่าปล่อยให้คิดให้ถ้าจะไปคิดถึงคนนั่นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทโธเดึงกลับเข้ามาหรือใช้การเฝ้าดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างนี้ไปแล้วเราจะมีสติพราเราจะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้ พอเรามีสติพอแล้วทีนี้เราก็พร้อมที่จะมานั่งสมาธิได้ถ้ายังไม่มีสติมานั่งสมาธิก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะจิตจะไม่สงบจิตจะไม่หยุดคิดนั่นเองแต่พอเรามีกำลังสติพอที่จะหยุดความคิดได้เราก็พร้อมที่จะมานั่งสมาธิได้เวลานั่งสมาธิถ้าเราชอบใช้พุทโธเราก็ใช้พุทโธต่อไปก็ได้ ถ้าเราชอบการเฝ้าดูร่างกายเราก็เปลี่ยนจากการดูอิริยาบถของร่างกายมาดูลมหายใจแทนนะดูลมหายใจก็เรียกว่าอาณาปณะสติดูมีสติอยู่กับการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกถ้าเราดูทุกขั้นตอนของการเข้าออกของลมเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ เราจะดูว่ากำลังเข้ากำลังออกสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดเนี่ยเราจะดูเฝ้าดูไปไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมปล่อยให้ลมหายใจตามปกติเหมือนกับเวลาอื่นเราก็ไม่เคยมาเฝ้าเราก็ไม่เคยมาบังคับลมหายใจฉันใดพอเรามานั่งดูลมหายใจเราก็ปล่อยมันเหมือนเดิมแต่สำหรับคนบางคนอาจจะเกิดความเครียดขึ้นมา พอถูกบังคับให้นั่งเฉยๆให้นั่งดูลมหายใจก็เลยไปบังคับลมขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะใช้ลมหายใจไม่ได้ก็เปลี่ยนมาใช้พุทธโธแทนแล้วก็ไม่ต้องใช้กำกับสองอย่างร่วมกันไม่ต้องพุทเข้าโทออกถ้าการดูลมมีปัญหาก็เอาพุทธโธอย่างเดียวบรลีรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปคิด เป้าหมายก็คือไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนีเนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดก็แสดงว่าไม่อยู่กับพุโทโธถึงแม้ว่าจะท่องพุโทโธแต่ใจไม่ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้ก็ต้องเอาใจให้กลับมาอยู่กับพุโทโธให้ได้ส่วนความคิดปัญจคิดก็อย่าไปกังวลกับมันถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปสนใจกับมันเดี๋ยวมันหยุดของมันเองถึงเวลาพอเราไม่ไปยุ่งกับมันเราอยู่กับพุโทโธไป เดี๋ยวจิตก็จะนิ่งจะสงบขึ้นมาเองเวลาจิตนิ่งสงบนี้ก็มักจะเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาคือเหมือนกับตกลุมตกบ่อตกเหวรู้สึกจะวูบลงไปแต่ไม่ได้วูบหลับนะวูบแบบมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลารู้ว่าจิตวูบเด่งลงเหมือนจากเวลา ขึ้นเล็บเวลาลงเล็บจากบนที่สูงมันจะรู้สึกวูบลงมาก็ให้เฝ้าดูให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจแต่อย่างใดแล้วพอจิตมันหยุดวูบปับ๊บมันก็จะนิง่งจะสงบมันจะเฉยทีนี้มันไม่คิดอะไรละเราไม่ต้องไปบังคับมัน่ะมันจะไม่คิดมันไม่อะไร มันจะมีความรู้สึกเบาสุขสบายเกิดความสุขที่มาส์จจใจขึ้นมาเรียกว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงในเบื้องต้นเวลาที่จิตสงบนี้สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่นี้มักจะเป็นสงบแบบเดี๋ยวเดียวสงบแบบงูแลบลิ้นเบาวูบนิ่งปุ๊บนะ่าเดี๋ยวก็ถอนออกมา แต่อย่างน้อยได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมได้สัมผัสกับรถของความสงบที่จะสร้างให้เกิดฉันทะวิรยิยะคือเกิดความยินดีเกิด ค, ความเพลยนที่อยากจะมาสร้างความสุขแบบนี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นแล้วรับรองได้ว่าถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบแบบนี้แล้ววิถีชีวิตที่เราเคยดำเนินอยู่นี้จะถูกเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ เมือนเวลาที่เราได้รถยนต์คันใหม่มานี่รถยนต์คันเก่าที่เราเคยใช้อยู่นี่เราจะเลิกใช้แล้ะเรื่องอะไรไปใช้รถเก่าโกโลโกโซได้ใช้รถรุ่นใหม่ที่มีเครื่องม้เครื่องมือที่พร้อมเพียงกว่าที่ดีกว่าสบายกว่าเราก็เปลี่ยนรถทันทีรถเก่าใครอยากจะได้ก็ยกให้เขาไปเลยเพราะเรามีรถใหม่แล้ว แต่ถ้าเรายังไม่มีรถใหม่รถเก่าก็ยังดีอยู่ถึงแม้ว่าจะโกโลโกโซถึงแม้ว่าจะเสียบ้างต้องซ่อมต้องเข้าอู่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าไม่มีรถนถ้าพวกเรายังไม่ได้รับพบกับความสุขแบบใหม่นี้เราก็ยังต้องอาศัยความสุขแบบเก่าไปก่อนถึงแม้ว่าความสุขแบบเก่าจะมีปัญหาบ้างเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาความสุขไม่ได้ หรือเวลาสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปสูญเสียคนนั้นคนนี้ไปอย่างน้อยก็ยังหาใหม่ได้ยังพอที่จ ะ, ะแก้ไขได้แต่พอเราได้เจอความสุขแบบใหม่ที่ไม่มีปัญหาแบบความสุขแบบเก่าเราก็จะไม่อยากจะหาความสุขแบบเก่าอีกต่อไปเราก็อยากจะทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจ ให้เข้ามาหาความสุขแบบใหม่กันฮะเราก็จะเพิ่มหาวันหยุดให้มีมากขึ้นด้วยการลดการทำงานให้น้อยลงเพราะถ้าเราหาความสุขแบบใหม่นี้เราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเหมือนกับการใช้หาความสุขแบบเก่าความสุขแบบเก่านี้มีค่าใช้จ่ายมากต้องหาเงินหาทองกันมาใช้แต่พอเราฝึกจิตได้ทาจิตให้สงบได้เราแทบจะไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วก็ลดการทำงานได้ลดการหาเงินหาทองได้เอาเวลาหาเงินหาทองมาหาความสงบแทนแล้วต่อไปเราก็จะเปลี่ยนวิธีได้แบบเต็มร้อยเลยเลิกหาความสุขทางร่างกายเลิกหาเงินหาทองไปหาที่สงบไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบได้อย่างเต็มร้อยอยู่ปฏิบัติไปเต็มร้อย แล้วเราก็จะสามารถสร้างความสุขให้ปรากฏขึ้นมาเต็มร้อยเบื้องต้นก็จะเป็นความสุขแบบชั่วคราวคือความสุขแบบสมาธิพอเราได้ความสุขแบบสมาธิแล้วขั้นที่สองเราก็มาเปลี่ยนความสุขแบบสมาธิให้เป็นความสุขแบบปัญญา โดยการใช้ปัญญาคอยกำจัดความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจที่สมาธิไม่ได้ไม่สามารถกำจัดได้เพราะความอยากนี่แหละเป็นตัวที่จะมาคอยดึงใจของเราให้เราไปหาความสุขแบบเก่าอยู่นั่นเองเราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าความสุขแบบเก่านี้เป็นความทุกข์เป็นการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องฝืนมันอยากไปทำตามมัน ถ้าเรามีกําลังของสมาธิเราก็อาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือคอยดึงใจไว้ให้อยู่กับความสงบอยู่กับสมาธิไปพออยากจะไปเที่ยวก็ไปนั่งสมาธิดีกว่าอยากจะดูหนังก็นั่งสมาธิดีกว่าต่อไปถ้าเราไม่ทําตามความอยากแล้วความอยากมันก็จะหมดกําลังไป พอมันหมดกำลังแล้วมันทีนี้จะไม่มีอะไรมาก่อกวนใจของเราให้ทุกข์ให้ ว, วุ่นวอนวุ่นรายใจอีกต่อไปใจของเราก็จะสงบอย่างถาวร อ, อย่างไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปหลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้วเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเพราะมีความสุขที่สมบูรณ์อยู่ในใจที่เกิดจากการ ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปด้วยพอได้ความสุขแบบสมบูรณ์แล้วศีลสมาธิปัญญาก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเหมือนยารักษาโรคเวลารักษาโรคกินยาหายแล้วก็ไม่ต้องกินยาอีกต่อไปชันใดพอเราทาใจให้สงบได้อย่างถาวรด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้ว เราก็ไม่ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาอีกต่อไปเพราะใจจะสงบไปตลอดจะสุขไปตลอดแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปทําบาปเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องมาคอยรักษาศีลไม่ต้องคอยมานั่งสมาธิไม่ต้องมาคอยพิจารณาเพราะไม่มีปัญหาที่จะมา ทำให้เราจะต้องมาใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมืออีกต่อไปเท่านั้นเองภารกิจทางาศาสนาก็จะสิ้นสุดลงวุสิตังบ ร, รมาจารยงคือกิจในพรมจารย์ก็จะสิ้นสุดลงกิจก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ก็จะไม่ ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปพระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายถึงแม้ท่านจะเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ท่านไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อรักษารักษาใจท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อรักษ า, าธาตุขันให้อยู่อย่างเป็นปกติเท่านั้นแต่ใจนี้สะอาดบริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่มีกิเลส ต, ตัณหาตัวที่จะพาให้มาเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจแล้ว น, นี่คือเรื่องของการมาฟังเทศส์ังธรรมในวันนี้เพื่อให้เราเรียนรู้ว่าวิธีหาความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะไรวาฮาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทิน ah e ังเปตานังอุปปักปติอิทิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวาสมิจโตสัพเพปุเรนตูสังกปา จันโทปนาราโสยถามณีโชติอาราโสยถาสัพภิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภาวาตุอันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจจังวุฒาปจายิโน จตารโมาวทานติอายุวันโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามข็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยพอหลังจากเลิกแล้วก็จะของดถามเพราะไม่สะดวก ต้องมีงานอย่างอื่นต้องทำต่อถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็าได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ขราบนมรการเจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับชมทางเฟซบุ๊กสามรอยห้าสิบหกท่านค่ะ y o u t u สอง7้อยเจ็สิบหกท่านวิทยุออนไลน์หกท่าน ผู้รับฟังบนเขาสองร้อยสสิบห้าท่านรวมเป็นแปด้อยแปดสิบสามท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยเจ้าค่ะมีคำถามฝากถามจากบนเขานะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับในเรื่องของการาคะหากพรังเผอคิดขาดสติหรือนึกถึง คนในทางชู้สาวเพื่อสนองความพอใจในวงเล็บเพียงมโนกรรมจะทําให้สินข้ออริมจรียาขาดหรือไม่อย่างไรครับยังไม่ขาดเลยแต่จะเริ่มจะขาดแล้วต้องรีบต้องรีบหยุดความคิดนั้นด้วยการคิดไปทางด้านอสุภะแทนคิดดูส่วนความไม่สวยงามของร่างกาย มองเข้าไปใต้ผิวหนังไปมองดูที่โครงกระดูกมองที่ปอดที่ตับที่ไตที่ลำไส้คำถามต่อไปจากผู้รับฟังบนเขานะคะหลวงพ่อครับผมกลัวแมลงมุมทุกชนิดครับผมกลัวและไม่ชอบเอามากๆจะทำอย่างไรดีครับถึงจะปกติได้ครับ ด้วยเริ่มแรกหลายปีมาแล้วไปเจอเอาตัวใหญ่เท่าฝ่ามือแบบตัวป้อมๆดำๆจึงกลัวมากถึงแม้ว่าตัวเราถึงแม้ตัวแมงมุมจะเล็กๆจิ๋วก็ตามครับก็เวลาเจอมันถ้าเกิดความกลัวก็ให้ท่องพุทโธไปพุทโธพุทโธอย่าไปสนใจมัน หรือถ้ามันอยู่ตรงนู้นเราก็เปลี่ยนไปอยู่อีกที่หนึ่งอย่าไปเจอกันถ้าจำเป็นจะต้องเจอกันก็ต้องพุดโทรพุดโทรพุดโทรไปก็ดูมันไปรู้เห็นมันไปเฉยๆต่อไปใจเราก็จะไม่กลัวมันคำถามต่อไปจากผู้รับฟังบนเขากราบเรียนถามพระอาจารย์ ในบทธรรมจักรกับวัตนาสูตรปาฐะเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นความเป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการสิบสองเช่นนั้นในอริยสัต์ทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราเมื่อนั้นเราปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้เฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรงที่ว่า ปริวัติสามมีอาการสิบสองปฏิบัติอย่างไรครับไม่รู้เหมือนกันนะให้รู้ว่าเวลาเกิดทุกข์ให้เกิดรู้ว่าเหตุของความทุกข์คืออะไรก็คือตัณหาทั้งสามกามาตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาพอรู้แล้วก็ใช้ปัญญามาระงับมันให้เห็นว่าสิ่งที่ตัณหาอยากได้เป็นไตรลักษณ์ เป็นอนิจจังทุกขอังอนัตตาทุกก็จะดับไปให้รู้แค่นี้ก็พอจะปริวัติสามจะอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมันอยู่ในนั้นอยู่ในการปฏิบัติเวลาปฏิบัติเราไม่มานับว่ากี่กี่ตัวกี่อย่างอะไรการปฏิบัตินี้อยู่ที่การหยุดความอยากหยุดความอยากต้องหยุดได้ด้วยใจหลักหรืออสุภะหรือ ถ้เห็นอยากอยากได้ของสวยๆงามๆก็มองไปในส่วนที่ไม่สวยไม่งามแล้วมันก็จะไม่อยากอยากได้สิ่งที่คิดว่าเป็นสุขก็มองให้มันเห็นว่ามันเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์มันก็จะหยุดความอยากได้คําถามต่อไปจากผู้รับฟังบนเขาปัญญาคืออะไรตามจากความคิดอย่างไร ความคิดก็คิดได้ไปทางปัญญาก็ได้คิดไปในทางกิเลสก็ได้ความคิดนี้คิดไปทางความหลงไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็เรียกว่าโมหะเป็นกิเลสตัณหาถ้าคิดไปตามความเป็นจริงก็เรียกว่าปัญญาเช่นคิดว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรียกว่าปัญญาคิดว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเรานี่เป็นปัญญา คำถามจากย t u b e นะคะจากคุณพงศ์จสิบแปดมีวิธีแ uh ก้การมรคะสำหรับพระบวชใหม่ยังไงครับก็วันแรกที่บวชอุปชาก็ให้วิธีแล้วให้ท่องเกษาโลมานขาดันตาตาโจคืออาการของร่างกายห้าอาการที่เห็นด้วยเห็นภายนอกแล้วก็ ให้เอาไปขยายจากห้าให้ไปเป็นสามสิบสองต่อไปเพราเวลาบวชนี้ไม่มีเวลาให้ท่องถึงสาสิบสองอาการก็เลยให้หัดท่องห้าอาการแรกก่อนคือผมขนเล็บฟันหนังพอถึงหนังแล้วก็อยากจะรู้ว่าต่อจากหนังมีอะไรก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีปอดมีไตมีลำไส้ ให้ท่องอาการเหล่านี้แล้วนึกถึงภาพของอาการเหล่านี้มันก็จะทำให้การมารมณ์นี้ดับไปคาถามต่อไปจากผู้รับฟังบนเขาค่ะก ร, ะพระาพสารเจ้าค่ะเวลาที่เรารู้สึกตัวรู้ว่าอยากจะทำจำใจตนสนองกิเลสปัญหาตัวเองแล้วรู้สึกว่ายาก แต่อยากจะหลีกเลี่ยงไม่กระทำแต่เรายังรู้สึกสนุกกับอารมณ์เหล่านั้นเราควรมีวิธีหรือนำธรรมมาเข้าใดมากำกับใจเจ้าค่ะก็ให้ดูว่าวิธีหาความสุขของเราแบบนี้มันเป็นเหมือนการเสพยาเสพติดพอเสพแล้วมันก็จะติดแล้วเวลาที่เราไม่สามารถจะเสพได้ มันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นเองเห็นถ้าเห็นพิษของมันเวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์มากแต่ถ้าเราไม่เสพเส้ยแต่ตอนนี้ฝืนใจหยุดใจไม่ให้เสพได้เราก็จะไม่ติดพอไม่ติดเราเวลาเราไม่ได้เสพเราก็จะไม่เดือดร้อนเชิญถามต่อได้ นะมาตการครั บ, กกรรบอขอถามว่าคือมันมีเรื่องการแย่งที่จอดรถกันนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาสวนเลนขึ้นมาแล้วก็ปาดเพื่อที่จะจอดซึ่งเขาเป็นฝ่ายผิดอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือถูกแต่ว่าอีกฝ่ายที่ถูกเนี่ยก็เห็นแล้วก็รู้สึกไม่อยากมีเรื่องทะเลาะเบาอแวง<ม>ก็ยอมเป็นฝ่ายถอย<ม>เพื่อจะให้คนที่ที่ผิดนั่นแหละจอดทีนี้มีคนให้ความเห็นว่า คนคนที่เป็นฝ่ายถูกที่ยอมแบบนั้นเนี่ยจริ ง, รงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผิดใช่หรือเปล่าครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทำเพื่อความถูกต้องเขาบอกว่ายอมยอมเพื่อเอาตัวตัวเขาเนี่ยเพื่อความสบายใจไม่ต้องไปทุกข์เพื่อจะไปทะเลาะเบาแหวงเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นมันเป็นแนวคิดที่มันผิดจริงๆควรจะต้องต่อสู้ที่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกก็ยืนยันในความถูกต้องของเราเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างหรือให้เป็น บทเรียนกับอีกฝ่ายหนึ่งครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการยืนยันความถูกเราก็ต้องมีการต่อสู้กันถ้าเขาก็ยืนยันว่าเขาถูก <c oughs> ก็จะทำให้ใจของเราไม่มีความสุขแล้วจะทำให้กลายเป็นศัตรูกันนั่งแค้นกันไปคอยจองเวรจองกรรมคอยจ้องทำร้ายกัน ถ้าเราถอยให้ก้าวหนึ่งปล่อยให้เขาทําไปผิดถูกมันก็ไม่ไปเปลี่ยนเขาผิดเขาก็ผิดอยู่ดีเราถูกเราก็ถูกอยู่ดีไม่เห็นจาเป็นจะต้องมายืนยันกันว่าต้องมายอมรับกันว่าเขาผิดเราถูกแต่อย่างใดนะแต่มันทําให้ทุกอย่างสงบลงเขาก็อยู่ของเขาไปเราก็อยู่ของเราไปเขาก็ไม่มารังควานเรา แต่ถ้าเราไปก่อเหตุไปมีเรื่องกับเขาเ ข, เขาก็อาจจะตามมารังควานเราได้แล้วมันก็จะบานปลายเห็นไหมอย่างที่ข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อวานนี้มันก็บานปลายออกไปพอใจมันเกิดความโกรธความแค้นมากๆมันก็เลยระเบิดออกมาเหตุนั้นเราต้องตาหลักศาสนาพุทธนี่เราถือหลักของความสงบเป็นเป็นหลักของการปฏิบัติ เราต้องให้สงบทั้งกายวาจาใจของเราและสงบกับผู้อื่นอย่า ม, มีเรื่องมีราวกับผู้อื่นคําสอนที่พระสังฆราชท่านฝากไว้เมื่อวานนี้คือไม่ทําร้ายไม่กล่าวร้ายเขาผิดก็ เ, เรื่องของเขาไม่ต้องไปทําร้ายเขาไม่ต้องไปว่าเขาผิดถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาผิดก็เรื่องของเขาแต่เรารู้ว่าเราไม่ผิด เราถูกแต่เราไม่อยากจะมีเรื่องกับเขาการมีเรื่องนะ่ะผิดก็ <c oughs> ใช่ไหมตามหลักศาสนาพุทธการอยู่แบบไม่มีเรื่องนะ่ะถูกการอยู่แล้วมีเรื่องก็ผิดเฉนั้นอย่าไปมีเรื่อง <c oughs> เราต้องถือหลักของความสงบเป็นที่ตั้งของการอยู่ของเราไม่ใช่อยู่ที่การแพ้ชนะในเรื่องความผิดหรือความถูกแพ้เป็นพระชนะเป็นมารให้ท่องคาถานี้ไว้ ครับทีนี้คนที่เขามีความเห็นแยงเขาบอกคนคนที่ถือตามหลักศาสนาแบบเนี้ยเขาว่าเห็นแก่ตัวเองคือเอาตัวเองรอดแต่ไม่รักษาหลักการขความถูกต้องเขา <laughs> เราจะาชี้แจงเขายังไงดีก็รอดทั้งสองฝ่าย <ขอ S 1> คนคที่มีเรื่องกับเราก็รอดจากการถูกเราด่าเขาถูกถูกเราเอาเรื่องเขาเราก็รอดจากการที่เขาจะม า, าคาตพยาบาทบัลลังแค้นเรา ร, รอดด้วยกนันทั้งคู่ไม่ดีกว่าเลย ดีกว่าวาดีกว่าว่าบังคับให้เขายอมรับว่าเขาว่าผิดแล้วก็ทำให้เขาต้องมารังควานเราต่อไปแล้วเราก็อยู่อย่างไม่สงบอยู่อย่างหวาดระแวงคือมีคนพยายามยกปัญหานี้เทียบเคียงกับปัญหาสังคมอื่นๆด้วยกอเขาคิดว่าคิดตามความหลงไงเขามองไปที่ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากาการมีสิทธิ์มีอำนาจของเขา แต่ทางศาสนาเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นย่อยประเด็นใหญ่อยู่ที่ใจของเรามากกว่าอยู่ที่ใจของคนที่อยู่ร่วมกันว่าสงบหรือไม่สงบถ้าไม่สงบถึงแม้ว่าจะได้ผลประโยชน์อะไรมากมายก็ไม่มีความสุขความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าได้ประโยชน์มากได้สิทธิ์มากแต่ความสุขอยู่ที่จิตสงบหรือไม่สงบัเราเรามองที่จุดนี้เรามองที่ความสุขที่เกิดจากความสงบ เราไม่ได้มองความสุขที่เกิดจากการมีสิทธิ์มีอำนาจมีทรัพย์มีสินเพราะว่ามันเป็นของปลอมมันไม่ได้ทำให้ใจเราสุขสุขก็เดียวเดียวสุขแล้วก็ต้องมาคอยรักษาอำนาจมาต่อสู้กับคนที่ก็จะมาแย่งอำนาจจากเราไปแต่ถ้าเราไม่สนใจกับเรื่องราวเหล่านี้เราก็ไม่ต้องมาวุน่นวายกับมันเราอยู่กับความสงบดีกว่านั้วสกาขอบคุณครับ คำถามจากเฟซบุ๊กนะคะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามจิตที่จะเวียนว่ายตายเกิดกับจิตที่ไปนิพพานจะต้องใช้บุญและบาปเป็นเครื่องนําส่งใช่หรือไม่เจ้าคะ อ, อ๋อไม่ใช่หรอกบุญหรือบาปเป็นสิ่งที่จิตต้องไปรับใช้ได้ายังติดอยู่ในไตรภพแต่พอสิ้นกิเลสแล้วไม่กลับมาเกิดในไตรภพ บ, บุญหรือบาปก็หมด หมดหมดสิทธิ์ที่จะมาควบคุมจิตให้ไปใช้ผลรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปเช่นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระหลานบาปบุญที่เคยทำมาอาจจะยังใช้ไม่หมดแต่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาควบคุมจิตให้ไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปจิตเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นจิตที่อยู่เหนือบุญเหนือบาปบุญหรือบาปไม่สามารถที่จะไปจัดการกับจิต ที่ดุจออกจากไตพพได้แล้วต้องเอาบุญบาปจัดการกับจิตที่อยู่ในไตภพเท่านั้นเหมือนกับควบคุมนักโทษนี้จัดการกับพวกนักโทษได้เท่านั้นแต่พอนักโทษออกจากคุกไปแล้วนี่ผู้จะควบคุมนักโทษไม่สามารถตามออกไปนอกคุกแล้วไปให้คุณให้โทษกับผู้ที่อยู่นอกคุกได้แล้วเอาคำถามสุดท้ายนะจ๊ะค่ะ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการรู้ว่าได้เห็นได้ยินได้ลิ้มรสได้สัมผัสเกิดขึ้นเพราะจิตรับรู้ไม่ใช่เพราะกายกายเป็นเพียงเครื่องมือและช่องทางผ่านเท่านั้นดังนั้นถ้าดับโมหะและจิตรับรู้แล้ววางเฉยกับสิ่งทั้งหลายด้วยธรรมชาติจิตไม่เศร้าหมองไม่เคร่งเครียดไม่ตึงไม่หย่อนทั้งตื่นทั้งหลับสิ่งนี้จะเป็น บุญนำจิตส่งไปนิพพานพ้นจากวัฏสงสารใช่หรือไม่เจ้าคะถูกต้องถ้าจิตเพียงสักแต่ว่ารู้กับสิ่งที่ได้สัมผัสรับรู้โดยไม่มีความลักชังกลัวหลงไม่มีความยินดียินร้ายก็จิตก็จะหลุดพ้นจากการติดข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องกลับมาหาสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปก็จะหลุดพ้นจะไปอยู่ที่นิพพานแทน